อารหันสมมาสมุทรเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสณะตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลรำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสมมาสมุทรเจ้า พระบรมศาสดาได้ทรงสอนวิธีปฏิบัติทมสมาธิซึ่งประการแรกได้แสดงอธิบายไปแล้วคือโดยปกติเมื่อยังไม่ปฏิบัติจิตย่อมมีอารมณ์มากเพราะกำหนดหรือทำไม่ในใจ นัสไสนิมิตคือเครื่องกําหนดหมายของจิตในอารมณ์นั้นในอารมณ์นี้อันเป็นที่ตั้งของฉั้นธราคะความยินดีติดใจรืวได้ความพอใจบ้างอันเป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นกัดเคืองบ้างอันเป็นที่ตั้งของโมงหะความหลงบ้างจิตใจ จึงมีอกุศลลบิตกความปรึกนึกคิดอันเป็นอกุศลต่างๆอาศัยชั้นทะคือความพอใจบ้างอาศัยโทสะบ้างอาศัยโมหะบ้างฉะนั้นประการแรกยังได้ตรัสสอนให้กำหนดทำไว้ในใจ ซึ่งนิมิตคือเครื่องกำลัดหมายของจิตอย่างกืน่นจากนิมิตที่อาศัยอกุศล น, นั้นและเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วถ้าอากุศลวิตกเหล่านั้นก็ยังไม่สงบยังมันเกิดขึ้นต่อไปจึงได้ตรัสสอนวิธีที่สองให้ พิจารณาโทษของอากุศลวิตกเหล่านั้นหรือว่าอากุศลวิตกเหล่านั้นเป็นอกุศลคือไม่ใช่เป็นกิจของคนฉลาดไม่ใช่เป็นของดีมีโทษเป็นความเดือดร้อนทาจิตใจให้เศร้าหมองกันให้ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญา มีผลเป็นทุกข์คือทำให้เกิดทุกข์เดือดร้อนต่างๆอย่างนี้อย่างนี้เมื่อพิจารณาไปดังนี้อากุศลวิตกทั้งหลายก็จะสงบไปเปรียบเหมือนอย่างว่าบรุษสตรีซึ่งยังอยู่ในเยาว์วัยยังพอใจการประนบการประดับตกแต่งร่างกาย หากว่าจะมีศพงูศพสุนัขหรือศพมนุษย์มาแขวนที่คอก็ยอมจะอึดอัดเอื้อมระอาะไม่พอใจจะต้องสลัดศพเหล่านั้นออกไปเสียนี้ชั้นใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ชั้นนั้นเมื่อใชอารมณ์อื่น คือใช้นิมิตอย่างอื่นจากนิมิตที่เป็นที่ตั้งของอกุศลหรไม่ตกทั้งหลายดังกล่าวในข้อหนึ่งแล้วคือว่านำจิตมาตั้งอยู่ในกรรมฐานขอ้อใดข้อหนึ่งแล้วอันอาศัยกุศลจิตก็จจยังไม่สงบจากอากุศลหรือไม่ตกทั้งหลาย จึงให้พิจารณาโทษว่าอกุศลวิตกตกทั้งหลายที่ยังเกิดขึ้นในจิตยังคล้องจิตอยู่นั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลมีโทษมีทุกข์เป็นมีบาสน่ารังเกียจน่าเอือมระอามันอย่างซากศพต่างๆคล้องอยู่ที่คอ ของชายหนุมน่มหญิงสาวฉะนั้นก็จะเกิดความไม่ชอบไม่ติดใจในอกุศลนวิตกทั้งหลายยอมจะสลัดออกไปอกุศลนวิตกคือความปรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็จะสงบไปได้ดังนี้เป็นข้อที่สองและเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้ว ถ้าอากุศลวิโตกทั้งหลายก็ยังไม่สงบจึงสั่งสอนวิธีที่สามคือให้ใช้ความไม่ละลึกถึงไม่ใส่ใจถึงเมื่อทำการไม่ละลึกถึงไม่ใส่ใจถึงดังนี้แล้ว อันก็สมไม่ตกทั้งหลายก็จะสงบไปได้เหมือนอย่างบุรษุษบุคคล <c oughs> เมื่อมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในครองของจักสุคือดวงตาไม่ต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นก็หลับตาเสีย หรือเมอนหน้าไปทางอื่นหันหน้าไปทางอื่นรู้ใจเจ้าได้ตัดสอนไว้ดังนี้ตามวิธีที่ตัดสั่งสอนนี้พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าการที่จะถอนนิมิตคือเครื่องกัะเบิดหมายของจิตใจในอารมณ์ต่างๆนั้น โดยเฉพาะอกุศลนั่นเมิดคือนิมิดเรื่องกนนดหมายที่เป็นอกุศลทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของราคะหรือชันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างนั้นสำหรับจิตสามัญญชนซึ่งเป็นกามาประจรคื อ, อยังลงไปในกามยังมีปกติ เลิ่มเพลินอยู่ในการมคุณอารมณ์ทั้งหลายการมนิมิตรอันเป็นอกุศลนิมิตเหล่านี้จึงมักฝังแน่นอยู่ใน จ, ใจิตใจการที่จะน้อมนำอกุศลนิมิตคือกรรมฐานทั้งหลายมาปฏิบัติเพื่อที่จะตอ กามันิมิตรหรืออากุชลนิมิตรที่เสียบอยู่เดิมให้หลุดไปนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายผู้ปฏิบัติทำยอมจะรู้สึกได้ด้วยตนเองหากว่าทำได้ง่ายแล้วก็จะได้สมาธิในปัญญากันง่ายแต่ผู้ปฏิบัติโดยมากนั้น รู้สึกว่าได้สมาธิได้ปัญญากันยากและการปฏิบัติทั้งปวงของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปก็ยอมตั้งตนในข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่สามารถใจะใช้กรรมฐานที่ได้เริ่มนำมาปฏิบัติอันเป็นของใหม่ตอ การมณิมิตรเรืออกุศลนิมิตรเก่าให้หลุดไปได้ก็ต้องใช้ข้อที่สองมาช่วยคือพิจารณาให้เห็นโทษของอกุศลเรือวิตกทั้งหลายด้วยปัญญานั่นเองว่าเป็นอกุศลไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้มีโทษอย่างนี้อย่างนี้มีทุกข์เป็นมีบาก คือเป็นผลอย่างนี้อย่างนี้แหละแม่เมื่อพิจารณาโทษแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสงบรังงับอกุศลลุพิตกได้<ม>ก็ให้มาใช้วิธีที่สามช่วยคือไม่ระลึกถึงไม่ใส่ใจถึงหยุดความระลึกถึง หยุดความใส่ใจถึงเหมือนอย่างมีอะไรที่มาอยู่เฉพาะหน้าที่ตามมองเห็นไม่ต้องการจะดูก็หลับตาเสียหรือว่าเบือนหน้าไปทางอื่นฉันั่นก็เป็นวิธีที่ช่วยอีกวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่สามแต่ก็ต้องเริ่มโดวยวิธีที่หนึ่งด้วยกันทั้งนั้น คือผู้ปฏิบัติธรรมก็นำเอากรรมฐานมาตั้งกำหนดอยู่ในใจเท่นตั้งส ต, ติกำหนดในส ต, ติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตและธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงรติปัฏฐานทั้งสี่เป็นข้อๆไปนั้นอย่างหนึ่ง ได้ทรงยกเอาอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกมาแสดงต่อเนื่องกันไปเริ่มด้วยข้อกายสี่ชั้นแล้วก็ต่อไปข้อเวทนาสี่ชั้นข้อจิตสี่ชั้นข้อธรรมะสี่ชั้นโดยที่ มีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ทั้งสี่ชั้นต่อกันไปได้แสดงมาแล้วข้อกายสี่ชั้นและข้อเวทนาสามชั้นจะแสดงข้อเวทนาชั้นที่สี่ที่รู้ทธ่เจ้าได้ตัดสอน ให้ศึกษาว่าเราจักสงบรังับจิตสังขารเรื่องปรุงจิตให้ใจเข้าศึกษาว่าเราจัดสงบรังมับจิตสังขารเรื่องปรุงจิตให้ใจออกและได้มีอธิบายไม่แต่ดังเดิม มาโดยใจความว่าในข้อนี้จะมีอธิบายอย่างไรก็อธิบายจับแต่จิตสังขารว่าคืออะไรจิตสังขารนั้นแปลว่าเครื่องปรุงจิตและมีอธิบายว่า ได้แก่สัญญาความจำหมายเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขโดยที่มีที่บายสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ข้อกายว่าโวยสามารถแห่งการให้ใจ เข้ายาวด้วยสา ม, มารถในการเข้าใจด้วยสามารถหในการหายใจออกยาวด้วยสามารถแห่งการหายใจเข้าสั้นด้วยสามารถหในการหายใจออกสั้นด้วยสามารถแห่งกาํ า, น า, มมานหนดรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้า โดยสา ม, มารถแหงกหําหนดรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออกโดยสา ม, มารถแห่งสงบระงับกายจสังขารเครื่องปรุงกายคือลมหายใจเข้าออกหายใจเขา้าโดยสา ม, มารถแห่งสงบระงับกายจสังขารเครื่องปรุงกายคือลมหายใจเข้าออกหายใจออก ก็คือเป็นการปฏิบัติในข้อกายสี่ชั้นนั่นเองแล้วก็มาเข้าข้อเวทนาโดยสามารถแห่งการรู้ทั่วถึงปิติให้ใจเข้าโดยสามารถแทงรู้ทั่วถึงปิติให้ใจออกโดยสามารถแทงรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้า โดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงสุขให้ใจออกโดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงจิตสังขารเครื่องปรุงจิตให้ใจเข้าโดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงจิตสังขารเรื่องปรุงจิตให้ใจออกสัญญาเวทนาที่บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติทุกขั้นมา เป็นเจตสิกะธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเจตสิกะธรรมเหล่านั้นผูกพันอยู่ในจิตจึงเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตฉะนั้นจึงพึงเข้าใจว่าเวทนาในที่นี้หมายเอาปิติและสุขอันรวมเข้าเป็นสุขเวทนานั่นเอง อันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากข้อกายเมื่อปฏิบัติในข้อกายมาโดยลำดับแล้วเมื่อสงบสงบกายสังขารเรื่องปรุงกายคือลมหายใจเท่าออกได้จิตเริ่มได้สมาธิย่อมจะได้ปีติได้สุขอันเป็นตัวเวทนา แหลปร้อมทั้งสัญญาคือความขุนกฎหมายหรือความจําหมายเป็นจิตสังขารขึ้น่ปรุงจิตคือปรุงจิตนี้ให้ติดให้ติดอยู่ในปีติให้ติดอยู่ในสุขและในสัญญาซึ่งเป็นความจําหมายนั้นเพราะฉะนั้นจึงตัดสอนให้ศึกษา สงบดับรำงับจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตนั้นอันหมายความว่าระวังใจไม่ให้ติดยึดอยู่ในปีติในสุขแต่ไม่ใช่หมายความว่าดับปีติดับสุขหมดปีติสุขนั้น ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของปิติสุขที่มันเกิดขึ้นเองแต่ว่าไม่ยึดไม่ติดเพราะความยึดติดนั้นเป็นตัณหาเป็นอุปาทานคือเป็นความเล่นหลนทยันยาความยึดถือทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า จึงให้คอยศึกษาํำเนียกจิตใจของตนเองที่จะสงบดับรำงับจิตสังขารคือไม่ให้สัญญาเวทนาคือปีติสุขนั้นเข้ามาปรงุงจิตใจให้ติดยินดีปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสมาธินี้ต้องอาศาัยสุข มีสุขเป็นที่ตั้งถึงจะก้าวหน้าถึงอยะยังดับสุขทั้งหมดไม่ได้ให้มีไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นแต่เพียงว่าคอยศึกษาระมัดระวังจิตไม่ให้ติดในปีตสุขที่บังเกิดขึ้นตามขั้นตอนนั้นเวทนา โดยอำนาจแห่งสงบรับรับจิตสังขารหายใจเข้าหายใจออกเป็นอุปัฏฐานะคือเป็นที่เข้าไปตั้งแห่งจิตสำหรับจิตกำหนดเป็นอารมณ์สติก็ได้แก่อนุปัสน า, านญาณคือความอย่างรู้พิจารณา ตามรู้ตามเห็นเวทนาเป็นอุปัฏฐานะคือเป็นอารมณ์ที่เขาไปตั้งเห็นจิตสำหรับจิตกำหนดเป็นอารมณ์แต่เวทนานั้นไม่ใช่สติ สตินั้นเป็นอุปัฏฐานะคือเป็นเครื่องเข้าไปตั้งของจิตด้วยและเป็นตัวสติเองด้วยพิจารณาตามดูตาม ร, ามรู้เวทนานั้นโดยสตินั้นโดยญาณคือความอย่างรู้นั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นตติปฐานภาวนาการอบรมปฏิบัติตติปฐานในข้อเวทนานุปัสนาคือพิจารณาตามรู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายดังนี้ก็เป็นอันครบ เวทนานุปัสสนาปฏิปทานสี่ชั้นที่อาศัยอานาปานสติตอ น, นิกำหนดสติกำนวนลมให้ใจเข้าออกเป็นเครื่องนำซึ่งเวทนาชั้นที่หนึ่งก็ได้แก่ศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงปีติให้ใจเข้าให้ใจออก เมตนาขั้นที่สองก็ได้แก่ศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้โทษถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเมตนาข้อที่สามเรื่องเป็นขั้นที่สามว่าศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้จิตสังขาร คือเครื่องงจิตให้ใจเข้า ใ, ใจออกเมตนาชั้นที่สี่ว่าศึกษาว่าเราจัดสงบรำงับจิตสังขารให้ใจเข้า ใ, ใจออกดังนี้ต่อเป็นเน่ก็ขอให้ตั้งใจฝังสุวนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป